มือนีเห็นว่าเป็นมือวันพระหรือมือวันศินล์ได้มาศึกษาแนวทางวิภาศนาที่งปูโชดกทานได้อนุเคราะห์หรือมีความกรุณาได้บรรยายและพุจธรรมได้มาเหยียบเฮียงเป็นภาษาลาวจึงขอนํามา ให้พวกเขาได้ใบศึกษากันขอเชิญทานหับฟังคําบรรยายหรือคําเทศนาของหลวงปู่โซโดกเรื่องทาง7สายท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะได้มาพบกันอีกแล้วธรรมะมีแตนเรื่องเยียวยไม่มีเรื่องทุกใจจะทุกใจก็ยังไม่ใช่ธรรมะที่ดับของทุกของร้อน นี้จะเป็นธ ร, รมก็เป็นธทํามฝ่ายที่ไม่ดีแต่ในที่นี้เรามุ่งกันป่ายที่ต้องไขปัญหาการไขปัญหานั้นต้องกันให้อยากโยวงเข้าใจธทํามเมื่อรวมผู้ใจบุญทหลายเพราะพูดในเจ้าของเราผู้ทรงพระธี่ชาขลาดสามารถทุกแน่ทุกห น, กนึ่งทังทางโลกเลยทัทํามทั้งโลกก็ป่วนลราทั้งทํมก็โรกรู้ทุกอย่างก็รู้เป็นพติเจา้า 100แน่ร้อยตเป็นตรราทําไหนต้องเป็นทํานั้นพระถิวัทัน์เองขนาดทูเจ้าบวให้ไม่ยอมเชื่อื้อคนธเจ้าครั้งแรกแต่แตเชื่อจะไม่ชนิดแต่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่ชื่อแต่วบวช น, นี้เมืม่อเจ้าบวทคนคนลังถือก็บวดตามแต่พระองศอนทางไปนิผ่านให้ยังไม่ยอมเอ า, เอาทางไปภุ ม, มโลกไปเล่นสมถมถ เราเมื่อจะโตกนรกถูกเป็นดินถูกแล้วจึงสารภาพผิดว่าเดินทางผิดเป็นคนผิดพอพุริเจ้าไม่ผิดจึงเชื่อคําสอนโคเจ้าร้อยโาดเซ็น่จากอย่างไหนต้องเป็นอย่างนั้นรับว่าพเธอทัดจะถูกไป น, นถูกตรงนั้นโคูจริงๆแตเลยหมดคนสงสัยในด้านนรกสวรร์แต่ก็ไม่ใช่มดจริงๆหมดขณะที่ถูกเป็นดินภูกแผนเท่านั้นแต่จีเเลยียตยังไม่หมดเเงอยู่ มีปัญหาจริงว่าวันนี้จะไขเรื่องอะไรล่ะเรื่องทางทางเจ็ดสายธรรมทางแปลว่าทําให้เตียนทําให้สะอาดแต่เป็นชื่อของธรรมะแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องดําเนินไปสู่พระนิพพานธรรมะอันบุคคลต้องการพริพพานพึงสังคายนาและแปลว่าธ ร, รมที่พาไปก็ได้นี่นเรียกว่าทางมาจากมรรโค มแต่ว่าข้าค้าแต่ว่ไปต่อกันเข้าว่ามักโคยังไม่จํากัดความไม่จะไปทางชั่วหรือทางดีนี่ทางนั้นในทางสาธนาจะแนกออกเป็นสองคือปกติมักโครหนปฏิปตทามักโคนปกติมักโคทางปกติได้แเกบทางบกทางง้ามทางอากาศเป็นต้นสําหรับคนและสับเดิน ปฏิจจธรมะโคทางปฏิบัติในแต่บุญบาปที่คุณทํากรรมที่คุแตกสําหรับกายวาจาใจโดยทางปฏิบัตินั้นทั้งดีและชั่วคือปฏิบัติไปนในปอยกรรมก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมกันแต่โดยมากก็ไม่เรียกทางนั้นจําแนกออกเป็นเ7ที่ว่าทางปฏิปัตถธารมะโคเนี่ยนะเบื้องแรกจําแนกเป็น2ทางโลกและทางธรรมก็รกกัน เป็นทางปกติกับทางปฏิบัติที่จะว่าต่อไปนี้เป็นทางปฏิบัติทางปฏิบัตินั้นจําแนกออกเป็นเ7 1ทางไปนรกนี่ปฏิบัติเป็นทางไปทุกติได้แก่โทรสะคือคมโกรธ2ทางไปเปรตและอสุรกายได้แก่โลภะคือคมโลกที่ปฏิบัติผิดไปทุกติ3ทางไปในรัฐฐานได้แก่โมหะคือความหลง นี่จะเป็นทางปฏิบัติพิตอเดินทางนี้ปฏิบัติทางนี้ชื่อวดเดิทางผิดร้อข้อที่4ทางไปมนุษย์ได้แก่สินห้าและกศกรรบทสอันนี้ทางถกแต่ลว่าถูกขั้นตอนอนโดยไปมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นยังสูงแรเช้นเจห้ทางไปสวรรค์ได้เสียมหากดศนแปะนี่ถึงทางไปซกติหทางไปประมโลก ได้เกยวสมัติาครรมธานนี่ก็เป็นทางไปสู่สุกติแต่ทัุกผมโลกง้อนเช็ดทางไปนิดภาลโดยเกี่วิปัฒนากรรมฐางนงั้นยอดของคุณถา ม, มในทางซ้ายที่หนึ่งข้อจะอธิบายจะตำลำดับเพื่อให้ฟูกฟังด้เข้อใจบ้างทางซ้ายที่หนึ่งนรกเลว่าประเทศที่ปราบจากความเจริญนี่แต่วควทุก มีอยู่457ขมผมใหญ่มี9ขมนับตันเตสันฆีวรรกการสุทตน ร, รกเป็นต้นไปจนถึงโลกันตุน ร, รกทัศน ร, รกใหญ่แต่ละขมออกไปในทิศทั้ง4แต่ละทิศมีอุสุทธน ร, รกที่ละสี่ขมยมมาโจีย ร, รกอีกรวมเป็น118ขมก่อนถ้าตุทธน ร, รกออกไปอีกมี เงมโมโรกีนรกที่ละสิบขุมรวมเป็น320ขุมส่วนขุมที่ลึกที่สุดชื่อว่าโลกันตนรกอยู่ที่สุดโลกรวมทั้งชิ้นเป็นนรก457ขุมตั้งเรียงกันอยู่ใต้คื้นผันดินซึ่งหนาได้ 2,400 ยดเหตุที่นําไปตกนรกโดยส่วนมากได้จะโทรสั คือความกรดดังมีลักษาะรับรองไว้ว่าโทเหนะิกันตะชาติตายะโทสะสติสังนิรังอุปปัฏฐันติเพระรับรองว่าเป็นคผลจึงอย่างนั้นเพราะโทสะเป็นต้นหตุสัต์ทั้งหลายจึงพากันไปตกนรกจึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับโทสะเพราะโทสะมีชาติและภพ คงนี้ก็อย่างกขายเหมือนกันผู้ทีท่ไปสูตรนรกสวรค์ได้นั้นต้องมีเครื่องมือกคือปัญญาปัญญานั้นมีอยู่สามประการคือสุดรรยะปัญญาหนึ่งจินตามมยะปัญญาหนึ่งภาวนามยะปัญญาน่ะจุดตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการถวังการศึกษาโระเรียนการท่องจําการอ่านกําหรับตลดโดยทั่ดหไป ปัญญาคันนี้พิสูจนรกสวรรค์ไม่ได้2ตินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากกันคิดิกันทิฐทพรหมรถโลดรอดฝนเครื่องบินอาวุธลุกคภัณฑ์อปพลโลกรวดเป็นต้นปัญญาคันนี้ก็พิสูจนรกสวรรค์ไม่ได้ปัญญาสองคันนี้เป็นปัญญาหาเข้ากินหาเงินหาทองหรเข้าหาของ ควมามบำบัดทุกข์บงูลุดของตัวและครอบครัวประเทศชาติเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกก็ให้คุณถ้าใช้ผิดก็ให้โทษมากเช่นระเบิดปวนามนูเย์ทง่ฮอกกี้ยวสามารถจะทําให้คนตายเป็นจํานวน 6.7 หมื่นเรียกว่ามีคุณนั้นท์มีโทษเพราอันตามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสนากรรมฐานมีอยู่16ขั้น ทบสี่คือมักทยาณต้องปฏิบัติทันน้งันี้จึงจะสามารถที่ขุดรนรกสวรร์ได้เพระราะฉรีตคือตัวมิาที่สี่ตัวซึ่งเรียกว่าทิ่ิกตาสมุติทีสขาดไปอย่างไม่มีวันจะกลับเพิ่มคืน ม, มาได้กิคือเป็นสระได้เป็นส ม, มุติถีตประหารพระได้โดยเด็ดขาดกับพจิศึกษาตัวที่พาให้สงสัหลังเินใจวณรกมีสี่ไั้สววันยี่สิไห้ย ใน ข, ขาดไปพร้อมกันเมือ่อเจเลทั้งห้าตัวนี้ขาดไปจากคันนัสนานแล้วจึงจะพิสูจใจและจึงจะหายตรงส่ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพอดไตินกเเล่นมคี่สิหน้าที่ยสพระพุทธโองค์ในทรงตั้่งปัญหาถามและทรงสอบถึงว่าโกอิมังปตงตุ่งสปติจะมาโรกันจากอมังกระถกลังดังนี้เป็นต้น ไยควมว่าใครจะภิสูจน์ให้ดินคืนสภาพนี้ได้ใครจะภิสูจน์ย ม, มโลกคือบาโยภมิทั้ง4ได้และใครจะภิสูจน์มนุสสโลกนี้ ท, ทั้งั้งสวรรลกได้ดังนี้พระองคได้ทรงตอบเพียงว่าเด็กโคตถึงวิเศษปฏิยมโลกกันจัดอมังสะตวทั้งนั้ น, น, น, น, นี้เป็นตน้นเพราะว่าพระศกษาบุคคลเป็นต้นพวกนับตั้งแต่พระอรหันต์ผู้ตั้งในโสดาปัตติมรรคเป็นตนไป ึงยะที่สุดตวยภมิสีมีนรกเป็นต้นห่านั้งนี้พระอัตกาถาจารย์ผู้รู้พุทธาธิบาลได้แก้ไกันว่าพัตาเป็นมคทั้งอาจิงตัตวายาวอรหัตมัขาถ า, า, า, าตัตวิโพเสีโขพระศรขบุคคลก็บสะพวกนับตั้งแต่พระอะรคิคผู้จังอยู่ในโสดาเป็นมกักเป็นต้นป้าจนกระทัง่งถึงพระเร็วคผู้จังอยู่ในอรหัตมัติเป็นที่ จึงจะสามารถที่สุดอวยุโภมิมนุภูมิและทุวโคมิได้ัว่โสนาปฏิมัติก็ได้แกนมักขยานืยานที่สิบสีนั้นเองเมื่อนักปฏิบัติธรรมะไดยเจริญวิพัฒนากรรมฐานพันญาณที่หนึ่งมาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงนญาณที่สิสีนี้จึงจะมีความสามารถเครื่องมีปัญญาที่สูทรกสรค์มักผลที่ิฐันได้โดยไม่มีความตงสัยแม้แต่น้อยแต่ถ้าจะเอาย่อง่ายๆ ธรรมดาแต่ไม่เด็ขาดก็มีการที่ฝูดไปเป็นตอนตอนหนึ่งที่สูดด้วยวันเกิด 2. องที่สูถึงผลต่าง 3. ามพี่สูน ด, ด้วยจิเลสี่พสูตอจุกประสูการณ์และห้าที่สู ด, ด้วยปัญญานี่จะเอากันละเอียดนะับที่สูน ด, ด้วยวันเกิดที่จูดอย่างไอองอยที่นั่งฟังอยู่นี้โกรดฟังยงเกิดวันอะไรอ ผมนเมื่าเกิดวันอาทิตย์หรือวันจันร์ก็แล้วแตใ่ใครเกิดวันไหนเอาวันนั้นอาตมาเกิดวัังคารก็ว่าเกิดวันอังคารทีนี้อาตมาจะถามโยมว่าคนโยมเวลาจกตกท้องแม่นะ่ะโยมจําได้มั้ว่าเกิดวันอะไรไม่มีมนุษย์คนไหนจําได้หอกอาตมาก็จําไม่ได้ไม่มีใครจําได้นอกจากพระพุทธเจ้าองจําได้แต่ทุกคนก็เชื่อว่าเกิดวันนั้นวันนี้เชื่อใค พ่อกับแม่เอ้าลองฟังให้ดีนะพ่อกับแม่ท่านเขียนในบันทึกไว้ว่าลูกเกิดมานั้นวันนั้นอาตมาเกิดวันอังคารอืมลูกเกิดวันอังคารนะเดือน6น่ะปีไม่มีน่ะเออตรงกับวันขึ้นหกค่ําล้วก็จําเข้ากระดูกดํามาให้จะมาว่าเกิดวันไหนเอ้าพ่อๆกับแม่พ่อก็อย่างนี้โดนจะเห็นมัเราก็จําให้ได้เราเชื่อ นรกสวรรค์ก็เหมือนกันโยมพอคุณได้ยกเทตอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วขนาดหน้านั้นบรรทัดนั่นบอกว่ยะเอียดขนาดนี้เค้าก็ยังจะไม่เชื่ออยูน่นะเออเรานับถือพริพุทธเจ้าไม่เช่อพระเจ้าทั้หมดท่านโยมเอเหมือนปฏิวัตินะเอาล่ะนี่ขอ้ขอ1้อ2ยมที่นั่งฟังที่อยู่นี้มีคนตา ม, มั้ย ม, ยมีเออยมลดูสยมไม่มีใครดูเห็นหรู้ทังวันก็ไม่เห็น ขาดอะไรขาดก็โจกเอาก็จบมากอันนี้ก็เหมือนกันนรกศวนก็ขาดปัญญาเนี้นี่ยนีอุปมาณง่ายๆนะดี๋ไม่เด็ดขาดนะะเอาให้เห็นครับคัดก่อนสามที่สูตรด้วยกิเลตกิเลตตัวไหนพไปตกเรามกมีบอกแล้วโภษ้าแล้วในตัวเรามีไมล่ะมะีถ้ามีก็มีพันธุ์ที่ไปนรกแล้วใช่ไมเหมือนกับโยมอย่างเลยมม่วงกกล่อง แต่มันมีสองเมร็ดเมื่อ็ตมวม่วงกระัก็มีต้นกันอยู่แต่จีตนาจะเอามาม่วงออกล้องแต่มือไปความพัดหมมวงกระับมาปลูกมันจะเป็นโอกกร้องได้มั้ยไม่ได้ก็อย่างไร่เพราะพันุ์มันเป็นกระดอันนี้ก็เหมือนกันทันคือโทรัมียุทธิตัวเราแล้วและจะไม่เห็นไปนรกแต่อย่างไงครัต้นมันอยู่ตรงนี้อยูเหมือนกับนอกนเชื่อครูข้าแล้วมันบินไปเมื่อือแล้วก็ปลกมาไหนเพราะตอนมันอยู่ที่มือเราเนี่ย อันนี้เหกันต้อนอยู่ที่โทรศษเมื่อโทรสมีมก็ไม่มีอะไรัยป้องกันไปได้แน่นนอยใ น, นข้อที่สามข้อ ท, ที่สี่ทีู่ด้วยปสุบก า, ารณ์ปิวัติทัศนสนาพูริเจ้าบวดให้เท็เทยังใกล้คิดขูพวกเราหลายเท่าพวกเรายังเกิดห่างจากพูริเจ้ามากสองพันรกว่าปีจึงพอกมาเกิดนั้นเกิดทันคุริเจ้าพัวจากคูริเจ้าด้วยแต่เจริิสมถา เพื่อนเขเจริญวิปนสนาเล่นสมสถะอย่างเหมาะอนันตกะได้อ น, นันต์มันทางเก่าเคามีวนานแล้วแต่ทางใหม่พุทธเจ้าของเราค้พบคือทางปรินิพพานไม่ยะเอา่าที่โบาณท่านางไงล่ะประตูเข้าวังเปิดอืมประตูคุกตารางปิดทําไมไปติดตารางประตูวังเปิดทําไมไม่ไปเกิดในวังประตูคุกปิดทําไมไปติดตารางเนี่ยเหมือนกันเลยประตูนิพพานเปิดแต่ทําไม เดินทางไปนรกแแต่โริกีนรกน้ น, นทําองเดียวกันนะนี่เพราะเพราะไม่เดินตามทางผู้ใหญ่สนะเดินตามทางผู้ใหญ่มาไม่กันก็ผมริกยารมมาหมด แ, ลแตลหรืเราไม่เชื่อมันก็พดเกิดจากนี้นะอที่สูนทางสดท้ายก็ที่สูดด่เป็นปัญญาขั้นที่สามที่วกีนี้ภารนามาจริญถึงงานที่สิบสี่นี่แหละที่สนดได้นะสองทางไปเปรดเปรดได้เเกบผู้้ดติดตายไปแล้ว ไปเกิดในอบายภูมิที่2คือภูมิของเปรตเปรตนั้นมี12จําพวกมีสรรหาจิตตาเปรตพระรัฐครูก็มีได้เป็นต้นบางจําพวกปากเท่าหูเข็มก็มีบางจําพวกมือเท่าใบตาลก็มีวางจําพวกถูกไฟเผาโูกเป็นริก็มีบางจําพวกมีทวายพุ่งออกมาจากปากก็มีบางจําพวกอาศัยทานที่บุคคอื่นอุทิศให้ก็มีเปรตนั้นชาวบ้านทั้งหลายชอบนิยมเรียกกันว่าปีศ อสุรกายมีร่างกายไอ่ตัว เ, เปร้ยแต่เป็นพันเดียวกันเช่นม้าไทยกับม้าฝรั่งต่างก็เป็นม้าเหมือนกันแต่ตัวโตกว่ากันเท่านั้นชอบอยู่ในที่ทเยือเกเย็นเช่นผูเขาป่าไม้ดงดิบดงทึบทะเลสาบทะเลเป็นตน้นเหตุที่นําไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายโดยมากในเแก่โลภะหรือตัหาดังมีหลักฐานจากอรรกถาอรรถสารีีรบรองไว้ว่า เอโพเยนิสัตตาตัณหายะปิติเสยังอุปปันติอิงโยโดยส่วนมากสัตว์ทั้งหลายตายไปเกิดเป็นเปตและอสรุรกายเพระพราะโลภะตัญหาตัวอย่างในอดีตเช่นเปตญาติของพระเจ้าพิมพิสารโลหินของที่จะนําไปถวายพระตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเปตันทุกข์รมณ์อยู่ตั้งนานเพึ่งจะได้รับส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิาสารในศาสนาของพระเจ้าของเรานี้เอง ตัวอย่างในพัจจวันมีตระกุลหนึ่งอยู่ในภาคอีสานมีบุตรสิบคนเดี๋ยวนี้บุตรเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ทุกคนพ่อกับลูกเขยกําลังผากันสร้างบ้านอยู่สองหลัะหลังที่หนึ่งเสร็จไปแล้วหลังที่สองมูงลังหาแล้วกําลังเริ่มปูกระดาษบังเอิญท่านผลตเพาะในตอนเที่ยงทําไ้ท้องร่วกภายมห ย, ยุดภายในสวันกอตายพอตายแล้วปรากฏมารอกโลกหลานต่างๆนานาทิ้งของงจับ คือบ้านมีเสียงดังเตงตั้จึงตั ง, ต ง, ตงเหมือนกับเสียงคนทิ้นของลงมาจริงๆแต่ดูแล้วของอตัวเคยเป็นคนค่าขายไปซื้อน้งวัวมาตางยสังครับ้าเแล้วังงคืนเดือนไงายหเสียงทับหนังดังเหมือนกับเสียงคนครับหมาเอาทั้งคืนเอายัางหยหวนทําให้ขรกสูู้ไปทั้งตัวเราะนี้ก็เป็นตัวอย่างชี่ี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนขแจ ง, แ, จงแล้วว่า ด, ด้วยความมวงบ้านวงลูปวงร้านวงเมื้อนําไปเกิดเป็นเ ป, นเปนร่หรืออบสุรกาตัวอย่างที่สองในปัจจุบันท่านคนหนึ่งเมื่อ2 5 0 0ศ200 5อยู่ในกรงเทพมาราครในเองนิใจเริ่มใส่อยางกันเข้าปฏิบัติพัฒนาแต่บางเอิมา้่งจิบลงจะก่อนก่อนจะตายใจก็ห่วงบ้านวงรูปวงงานและ่วงทัพสมบัติเพราะยังไม่ได้จัดการทําพินยกรรมแบบ ใ ห, ให้หลานขันตายแล้วได้มาลอ ก, ล ก, ลกรูปูรูปหลังหลานหนานาประการเช่นประดงนั้นเห็นเป็นรูปร่ามจริงๆบ้างแวกม้านออกมาบ้างเอามือมาลูกศีษาบ้างเดินวนอยู่รอบมู้ตลอดคืนบ้างตัวอย่างนี้ก็คอยี้ให้เห็นอีกข้อนังว่าเพราะโดพระคือคมูวงต้องบััดเป็นตัเหองเวลจะตายจึงได้มาเกิดตินเปรกมาหลอกรูปกหลานสัติิรชาารมีมาก เช่นช้างมาวัววายหมูว้าเป็ดไก่นกหนูโก้งห้อยปูปลาเป็นต้องโดยส่วนมากโมหะคือความหลงเป็นผู้นําไปเกิดนังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในอัตรศรลนีอัตกถาราับรองไว้ว่าโม้เนหณหนิดจังอําุนหังติีลท้านโยเยียงอุ ป, ปัคันตะแปลว่าที่อยู่สัตว์ทั้งหลายไปเกิดเป็นสัตว์เดฉาน จึงมีความลุ่มหลงอยู่เป็นนิดก็เพราะมูหะเป็นตัวการนําไปอย่างนี้ตัวอย่างในอดีตเช่นนายโกตุฮาริกะเดินทางมาแต่ไกลมีความลําบากและเน็ดเหนื่อยเมื่อยละเป็นกําลังพร้อมทั้งหิวอาหารในการเดินทางใกล้กันดานด้วยคั้นมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในวันนั้นมีการทําขวัญแม่โกนมของนายโกบานในเรือนของนายโกบานพระปฏิเกขของ เ, เจ้าหงหนึ่งมฉันเป็นนิดในวันนั้น เมื่อนายโคบานนิมนต์พระปฏิกคหบดีเจ้าฉันเสร็จแล้วจึงได้ทําการมงคลข้าพายาหเขาจัดแจงไว้เป็นอันมากเมื่อนายโคบานส่วนในวัน <ไ S 1> นั้นเมื่อนายโคบานนิมนพระปฏิกคหบดีเจ้าฉันเสร็จแล้วจึงได้ทําการมงคลข้าพายาหเขาจัดแจงไว้เป็นอันมากเมื่อนายโคบานเห็น2สามีภรรยานั้นมาจึงทําความสงเคราะห์โดยสั่งให้ ให้ข้าปรายามกับนายนอน้อยใสเป็นนั้นมากภรรยาจึงกล่าวกับสามีว่าเมื่อที่มีชีวิตอยน้องก็อยู่มีชีวิตอยู่พี่มีท้องท่องานาั้นแล้วขอพี่จงรับทานอาหารตามความต้องการเถอะนางจึงวางข้าวภัตยาไว้เบื้องหน้าของสามีพร้องกับสับปปิคือในใอยใสส่วนนางก็บริโภคสัปปิเลวแต่น้อยหนึ่งเท่านั้น ส่วนนายโกตูฮาลิกะบริภุกมากขึ้ไปเพราะหญิ้าตังกฤจกแต่ก่อนแล้วนายโคบาลครัน้นให้ข้าวประญาติจะสองผลนแล้วตนเองจึงเริ่มจากบริโภคนายโคตูฮาลิกะนั่งแรดูเขาอยูเห็นก้อนข้าวปญาติที่นายโคบาล น, นั้นให้จะนางสุนัขซึ่งนอนอยู่ใ ต, ต้ต่างจึงคิดว่านางสุนัข ต, ตุวนี้มีบลจึงได้โภชนะหินปันนี้เนือ ตกกลางคืนนรรายโครถัวหยกะนั้นไม่สามารถจะยังข้าวประยาทยอยได้จึงทําการะคือตายแล้วได้ไปบงังเกิดในท้องแห่งนางสุนัขตัวนั้นเมื่อพระยาเขาเผาศก ส, สามีแล้วก็ได้ทําการรับจ้างอยู่ในบ้านนั้นเองได้ข้าวสาสาลมัฒนานหนูงใส่บาทถอยพระปฏกิภูริเจ้าและอุทิย์สนบุณให้สามีว่าพันตีทาศัสโวกปาปุนาติ ท่านเจ้าค่ะขอกุศลผลบุตรอันนี้จงถึงจะถาดของท่าเถอตั้งนี้นางคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ามาที่นี้เป็นเปจจําธยธรรมของเราจะมีหรือไม่มีก่อยทําเทอิดราว่า ท, ทันยูทําทความข้นขวโยอ ย, ยังใจให้เริือ่อมใสอยู่ถกทุกวันจากไปบุณมากจึงได้ทําการรับจ้างอยู่ในบ้านนั้นเองเรื่องสุนขใจบนสร้างมหาโกศลตายจปเกิดในสวรรค์ ภายในหกเจ็ดเเดือนนางสุนัขตัวนั้นก็พราอะลูกออกมาเป็นตัวหนึ่งนายโครบาลได้ให้น้ำานมของแม่ โ, โนมตัวหนึ่งแก่ลูกสุนัขนั้นไม่นานเท่ารานักลูกสุนัขตัวนั้นก็เติบโตเติบใหญ่เมื่อพระปัจจีกุรเจ้ามฉันท่านก็ให้ก่อนข้าวแกลูกสุนัขตัวนั้นทุกทุกเพราะได้อาศัยก้อนข้าวของท่านลูกสุนัขตัวนั้นจึงได้มีความรักไข้ในทันมาก เมื่อนายโครบาลไปสู่ที่บำรุงของพระปัสิของบริเจ้าวันละสองะพอเด้พาลูกสุนัขตัวนั้นไปหรือทุกครั้งเวลาเดินทางผ่านป่ากาไม้ตีที่ผุ่มไม้และพื้นดินในที่สึ่งมีเนื้อร้ายและระหว่างทางท่งเสียงว่าซุกๆๆุสามครั้งเพื่อยังเนื้อร้ายให้นี้ไปวันหนึ่งนายโครบาลได้กล่าวกับพระปัฏจิหรือเจ้าว่า พระคุณเจ้าพู้เจริญท้าเมือไดผมไม่มีเวลาว่างเช่นนั้นผมจะส่งสุนขตัวนี้มาวันไหนไม่มีเวลาว่างเคาก็ส่งสุนัขตัวนั้นไปว่าก็จงไปจงนําพระผู้เป็นเจ้ามาด้วยคําเพียงเท่านี้สุนัขนั้นก็โวยไปถึงที่ซึ่งนายเต็มพุ่มไม้และพื้นดินก็ห่าขึ้น3ครั้งแล้วก็ไปจนถึงที่อยู่ของพระประเทศกับพระพุทธเจ้า เข้าไปยังบารรณศาลานั่งอยู่แลว้วถึงประตูบารรณศาลาจึงเข่าขึ้นสามครั้งเพื่อให้ท่านรู้ว่าตนมาแลว้วจึงได้นอนหมอบอยู่ณส่วนข้างนั้นเมื่อพระประเทกขะพุทธเจ้าได้ออกเดินทางไปสุนัข ก, ก็เดินเห่าไปข้างหน้าข้างหน้าเมื่อจะทดลองสุนัขท่านจึงทําทีเป็นหนงทางเดินไปทางอื่นเสีย สนักจึงเลิเผยยืนเ่าขวางหน้าของท่านไว้แล้วนําท่านกลับมาหนทางเดิมอีกต่อมาวันหนึ่งท่านเดินไปสู่ทางอื่นถึงแม้ว่าสุนักนั้นจะไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าก็ไม่กลับเอาเท้าก็ต้นสุนัขแล้วก็เดินไปสุนัขรู้ว่าท่านจะไม่กลับจึงเรีบไปคาบชายผ้านุ่งชุดมานําท่านมาสู่ทางที่ตนประสงค์อีกสนักนั้นได้ยันความรัก อันมีกําลังให้เกิดขึ้นแล้วในพระปฏิของพระเจ้านั้นด้วยประการฉนี้ต่อมาชีวันของท่านเก่าแล้วนายโคบาลจึงได้ถวายผ้าสําหรับชีวัของพระเมรุธรรมชีวันจะท่านท่านจึงได้อําลาโยมไปสู่สถานที่สบายและกับธรรมชีวันสุนัขได้ยืนฟังคําสุนัขได้ยืนคําฟังของคนทั้งสองนั้นอยู่เหมือนกันท่านได้เหาะขึ้นสูเ่เวหาทบายหน้าต่อเขาคันธรรม นักแรโรท่านผู้กําลังหอะไปทางอากาศยืนเหา่ายืนหอนดูเมื่อทันลบสายตาไปพระไทวักแแต่ทําลายลงคือตาอยู่นักที่นั้นนันเองสนักสร้างมหาโกศนได้ไปเกิดเป็นโคสกัดเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดอดจึงเชื่อว่าสัต์ิรัสานทั้งหลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีชาติซื้อตรงไม่คดโกูส่วนมนุษย์นั้นใจคิดไปยังหนึ่งปาพูดไปยังหนึ่งไม่ตรงกัด พระเดชนั้นแลนายเปรตสัผู้มีผู้เป็นบุตรของนายคปัญช้างจึงได้กล่าวไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตปิดกเล่มที่13หน้าที่4ว่าคะหนันเหตังพันเตยะทิทรรมมนุษสาอุตานะกันเหตุตังภันเตยะทิทงะังรตสโวข้าเสพระพู้เป็นเจ้าผู้เจริญแท้จริงขันธบัญญัติขันธบรรจกคือมนุษย์นี้รกษ์ัฏ แต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงคันธบรรจกคือสัตว์ของเลี้ยงนี้ ต, ตังนี้โสนัสนั้นตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาดึงได้สวยสมบัติใหญ่ก็เพราะเป็นสัตว์มีความเห็นอันตรงและไม่คดโกงด้วยประการฉะนี้นสรรพชนผู้ใจบุญทั้งหลายถ้าเราไปตกนรกก็ดีไปเกิดเป็นเรตและสุรกายก็ดีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจานก็ดีเราไม่มีโอกาสที่จะสร้างคนดีเช่นกับมนุษย์ จะไปรักษาศินจะไปขวายทานจะไปไหว่พระจะไปโสวดมอ์จะไปเจริญกมถานหรือเจสมมถธรมถานนี้ประราานก็ไม่ได้เพราะกําหนักกมมีกําลังแรงปิดบังไว้จึงเป็นเหตุให้สัคสัตว์พกันวงเวียนอยู่ในห่วงแห่งกิฤตและกองพุกอย่างน่าสะพึงกลัวมากเพราะฉะนั้นขอมวลผเธบริษัทจงพกันรียดคําบุญให้มากๆเพในเมื่อเรามีโอกาส จะได้ไม่ราาดถ่าเสียทีไปเกิดในทุกกติเราจะได้เป็นผู้มีโชคดีไปบังเกิดในสุปติโลกสวรรค์อันปราศจากทุกใครต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตเริ่มตั้งต้นชีวิตตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเถิดพระยังไม่สายยังจะมีโอกาสปิดประตัวบายขโยะ้จะไม่ได้เกิดเสียใจในภายหลังและจะไม่ได้ถึงบงังอ้ครับไม่จีดี เราก็จะประกันกลับบ้านเก่าโหและขณะนี้บางคนก็เป็นบุตรเกิดต้นไม้ใกล้ฝั่งอยู่แล้วรอคอยลมคือความตายอยู่ทุกคืนทุกวันเท่านั้นเรียบพอรีบภายเถอดตะวันจะสายตลาดจะวายสาโบสถจะเนาสมเด็จพ่อก็ได้ทรงแนะนําท่าสอนไว้แล้วซึ่งปรากุฏอยู่ในพระไตรปิฎกเลยมที่25หน้าที่389ว่าอุททพทกนิีธท โกฏโฐตุสติสีนงูอาตุรนังิกานิฏฐาสังวิธานรูปปฏางคุทาตะนิสีทัสสนงสิกขตสัติยาเชิญท่านทังหลายลุกขึ้นเถิดเชิญท่านทังหลายนั่งเถิท่านจะมวนอนฝันเอาประโยชน์อะไรในเมื่อชาวโลกทั้งหลายถูกกำลังผูกโกสอคือความยาก จ, จนโศราเชเสียบแทงคนที่อยู่ชนะเชิญท่าทังายลุกขนเถิดเชิญท่าทังหลายนั่งเถิดท่านจะมวนอนหลับ ครับสิษบจุดทําไมแล้วทันทํางานายจงรีบตรงมือศึกษาปฏิบัติเพื่อสันติเสียเต่เยนี้เผิดทร่านี้ท่านสาธุชนไว้อย่างไงายจบแล้วโตตั้งแต่สองต่อไปในเมื่อมีโอกาสเฉพาะวัดนี้ขอยิติเเสียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้สนใจใข่ต่อคักเสอย่างไงายบัดนี้ลายท่าไขปัญหาและมนเวียนปลียดมาายันจบทท่านดีกว่าระหนึ่ง การแกปัญหาวันนี้ผมในห้องคลอเรื่อง ว, ว่าเราจะไปทางไหนต่อจากคนก่อนโน้นเราจะไปทางไหนนะถ้าก่อนทั้ว่าถึงทางจ10สายหมดนี้เราก็จะไปทางไหนกันหนทางที่เราจะเดินนํามีหลายเส้นทุกประสาสังคมชนทันจะไปไหนกัน กนทางที่เราจะเดินมีอยู่ถึงเจ้นเช้นที่หนึ่งทางเป็นนรกได้แก่โทรศา ежду ตาที่โทรศา p e ตกโนรกขายมาแล้วเช้นที่สองไปเป็นเปลิดและอโท ร, ร ก, กายได้จ釣ร余พระขายมาแล้วเช่นที่สามไปเป็นสัตถเจชานได้แกโมหาขายมาแล้วเช่นที่สีวันนี้จงไขข้นที่นะ่ะ นึกกันเช่นที่4ไปไหนอ่ะไปมนุษย์ไปเป็นมนุษย์นะเราจะไปในการเราก็ไปเกิดเป็นคนหรือจะไปสวรรค์วันนี้ถึงเช่นที่4ทางไปมนุษย์ได้แก่อะไรคําว่ามนุษย์ตามความหมายทางภาษาบาลีมีความหมายได้ ซึ่งผู้มีใจสงบรูรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่มีเป็นประโยชน์ผูเ้เฒากอของอโหกูที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะได้อาศัยธรรมะของมนษย์ได้แก่ศีล5และกุศลกรรมอกุศลศีล5และกุศลกรรมอกศลนี้แหละเป็นคุณธรรมที่จะเสกสรรปั้นปรงุงแต่งคนให้เป็นคน ถ้าใครขาดทํามะทั้งสองหวดนี้ก็จะก็เป็นคนไม่เป็นหดตแต่นั้นทจึงแบ่งมนุษย์ออกเป็นห้าจะเพื่อขึ้นมนุษย์มีรยิโกมนุษย์ตมรกสองมนุษย์ปตูเตมนุษย์ไปสามมนุษย์ประิถาหนึ่งือมนุษย์ประทวศฐานที่มนุษย์จะเโตมนุษย์เทเพถ้มนุษย์ประเทอมนุษย์เทกระดา อท้าธิ่ไย้เย่อแยคําแน่มนึษย์ตัวณรยิโกมนุษึษจากมาร็กได้เสียมนุษย์่บุกร้าอยากขายเที่ยวข่าสรัดซวิดเขาเพื่อที่เกี่วต้นเอาทรัพย์สมบัติของโทรเป็นของตอบดมื่ออากา ร, ารทารุมบงคร้างขึ้นข่าเจ้าทับกายบั่งทกซสํนบัติเกาหัสบั่งขอเขนแล้ววผ้าดมีครบขืนเด็กๆกครบสองกกอยคอผ้าคอบข้าว เหมียดเลียนผู้อื่นสัตว์อื่นธรมานผู้อื่นสัตว์อื่นโดยอาการทารุณ์หัวก้าดูร้าอยับครายนานาประกาศ ร, รวมความว่าเป็นคนไร้สินธรรมไม่มีมนุษย์ศยธรรมคือคือสินห้าไปจําตัวเลยเป็นมิธาทิติิเห็นว่าบบาทไมย่ยีบุญไม่ยี่เขาได้ก่อทําเมองข้างเดียวท่านจึงไม่ขนานามมนุษย์พกนี้ว่ามนุษย์เสมีรยีโกแต่วมนุษย์สัตว์ น, นรก คือเป็นมนุษย์แต่ชื่อส่วนความประพฤติ ท, ทางกายวาจาใจนั้นเลวสามตําช้าดุร้ายยาบคายเหมือนกันกับสัตน์รกฉะนั้นธ ม, มนุษย์เปตมนุษย์เปรตได้เก่มนุษย์คี่มากด้วยความโลกมากกว่ด้วยตัญหาชอบลักชอบขโมยครับนักเแ็กไม่น้อยโลภเอาของคนมาเป็นของตนแย่งริงวิ่งราวตามหาธนาคารเป็นต้ แม่พวกที่เกี่ยวขอฐางมีบาดแผลเกิดกลังก็สงเคะ์เข้าในประเทศยตนี้ด้วยสามนุษย์สจิราชานน้านหนมนุษย์สัดิัสฐานไในจะมนุษย์ที่ขวางศีลขวางธรรมมีโมหาะคือความหลงมากไม่รู้จักบว่ากไม่รู้จักบนไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จักประโยค์และวิิแทประโยชน์ไม่รู้จัก ค, คุณทั้งกณีบุงคนช่นบิดาบรรดาครบาจานเป็นต้น เป็นมนุษย์ผู้ไร้ศินธรรมเดิมเล่ามัวสุราิึมกินกัญชาทำอะไรทางกายไว้าจรใจก็ขวางขวางผิดกำหนงของธรรมท่านจิงทะนานนามมนุษย์พวกนี้ว่ามนุษย์สฏิระฌานแะแปลว่ามนุษย์ปฏิเชานปิระฌานท่านแปลว่าผู้ไปขวางผู้เดินทอดตัวไม่ได้เดินตั้งตัวมือนคนคนปิระฌานก็ฉันนั้นทำอะไรก็าขางธรรมขวางมีใน คือผิดศีลผิดธรรมอยู่เสมอๆเซมนุษย์ปกโตโมนุษย์แท้ๆคือเป็นคนเป็นผลได้เจมนุษย์ที่ควรสมเป็นคนแล้วได้รักษาศีล5มั่นเป็นฤทธิ์ฤทธิ์ได้ขาดมีดได้ประมาทปอสีลเพราะถือว่าเป็นมนุษยธรรมคือเป็นธรรมประจํามนุษย์ธรรมะที่ทําคนให้เป็นคนแต่มิได้บําเพ็ญกุศลในจริยาอย่างนี้ซึ่งไม่ได้ให้ทานไม่ไ้ฟงธรรเป็นต้น แต่ถ้ารักษาสินลนดีมนุษย์อย่างนี้ทขนานนามนมงบสครูกโตะแปลว่าเป็นมนุษย์แก่แทะที่เป็นคนเป็นคนนั้นเองเพราะมีคุณธรรมของคนคือศินลศินท่านแปลว่าเสียคือหัวถ้าคนขาดศินก็คือคนหัวขาดนั้นเองเพราะขัดจากคุณธรรมของความเป็นคนขดจากคุณวรีกันไรย มนุษย์เทวมนุษย์เทวดาได้แก่มนุษย์ผู้มีสินห้ามั่นเป็นนิ์แล้วยังได้พยายามบำเป็นกุศลทุ่มทุมบา ร, รมีอยู่เรื่อยๆช่้นให้ทานบังบังธรรมบ้างเรียนธรรมะบ้างปฏิบัติธรรมะบ้างไหว้พระสวดมนบ้างมีหีริคือกลัวให้บาปมีโอตตปปะคือความสะดุด้งกลัขขวต่ขขวขขอผลแห่งบาปอยู่เสมอเรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงบรจะถือว่าตรัสประกอด้วยเวธรรม เศษประการคือบำรุงเรียกบรรดาศิจาประคุตอ่อนน้อมภักตนกระบุคคลผู้เจริญในตกนูลผู้จ้าไพร่เสโนหูอ่อนวันนุ่มนวลและคนสอเสียดละคมตณีเหนียวแน่นรักษาคำสัตย์ไม่โกรธมนุษย์ผู้มีคุณสมบัตินี้ท่านขนานนามว่ามนุษย์สเทโฮเปราว่ามนุษย์เทวดาเท่าทีแรงมานี้ก็พอที่จะเห็นได้เด่นชัดแล้วว่าสิ่งธรรท่านั้นเป็นเครื่องวัดบุคคล เป็นเครื่องแบ่งแรก บ, บุคคลที่มีประเภทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วขังตอนนั้นถ้าผู้้ใดไร้สินธรรมคนนั้นก็จ่วเป็นคนเม่เป็นคนมากเป็นคนเปต้องเป็นคนนสุรจายบ้าเป็นคนปัฒนารกบเป็นคนตัดเลยขานัา้นั่นเป็นผู้ถ้าผู้้ใดมีศิถ้าผู้ใจมีสินธรรมมีกริยธรรมมีวัฒนธรรมดีงาม พะ น, นั้นคือว่าเป็นคนเตงคนเป็นคนแพแท้และเป็นคนเหมือนกับเิวดาเพราะฉะนั้นทางประมนุษย์จินได้เจสินห้าซึ่งเป็นมนุษย์รคือธรรมะประจมนุษย์ในบาลีท่านเรียกว่าอริยธรรมเช่นอริยธ ร, รมรทิโตนโลนรชนผู้ต่างังอยู่ในอริยธรรมได้แจ่พวกคนพุต่างังอยู่ในสินห้า น, นี้ถ้าทางประสวรรค์ได้จมหาโตรศนแปคําว่าสวรรค์นี้ตามรศัพ์ หมายถึปลว่าเลิดีสุขดีขอได้แปลว่ามีอารมณ์ดีงามก็ได้แปลว่าอันสัมผัสรรคึงถึงรูป ก, กรรมดีงามก็ได้และแปลว่าเป็นที่พ้องอยู่ปิตตูแหงสรรค์ั้งหลายก็ได้คือรูปความว่าสวรรค์ได้เป็นรูปเป็นที่อยู่ของเทวดามีแต่รูปเสียงกลินรสอุปภาอันดีงามคือเป็นของคิพ ด, ดีเลิศประเสริฐกว่ามนุษย์หลายเท่า ไกลกรรจรณีอยู่รรคนั้นคือ1สวรรค์ชั้นจากตุมหาราช2สวรรค์ชั้นนวดึง3สวรรค์ธั้นดามา4สวรรค์ชั้นดส5สวรรค์ชั้นนิมมารดี6สวรรค์ชั้นปรนิมนิตตสวัคคีสวรรค์ทั้ง6ชั้นนี้ต่างดูผัดกันไปตามลำดับผู้แสดงมานนี้ปรากฏอูในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้าที่531ระยะทางไปสวรรค์นี้ท่านกล่าวไว้ในคัมภีรโลกกัน ปัสานวาสรรุสอสุระรโตติชาวมนุษย์โควิตตัราสีติโยชนะสหสัตนีอนติตั้งแต่เมืองอสูรถึงเมืองมนุษย์ 84,000 โยธนุสตะโกโกยวตะทุมหราชิกะทเยตารีสะเอกะสัตั้งแต่มนุษย์ถึงชัจาตุรง 42,000 โยธ จากตัฐาชัตวมหาราชิกโตยาวะตวตินสาตั้งแต่ชั้นจะตรงถึงชั้นดะวัดเดิงก็ 42,000 ยดถกกันอีติอัศรกรโ ต, ตยาวะต ว, วะตินสกุราโจ้ชนานังเอกัละครังชะนะหุกตังอัธษาสัญจะโดยเหตุนี้ตั้งแต่เมืองอาศูนถึงเมืองดะวดึดิงจึงเป็นระยะทางตั้ง 168,000 ยด ปรทวีตระโตยาวะตาวจริงท้าปณะจิตรราสิจีโดยศรึกษานี้ถ้าจะคิดไปพื้นบินขึ้นไปถึงคั้นดวดึงเป็นระยะทางตั้งไปมือินสิ่งพันธุโยกตาวจริงสโตยาวยามายาวัชนานาังจะตัวครั้งติณอุกต่างังจะตุกตาสังจะตุกสตงเจงตั้งแต่ชั้นดวดึงถึงทั้นยามาเป็นระยะทางตั้ง4ี3ส0 0ามือง น, น, นย แล้วก็ต่างแต่ั้นยามาถึงทั้นดูจิตรกร็ในยทา ง, งต่างัแต่เจ็ดแสมที่มูลทิพันแต่รอโยกอืมเแต่ราจากนั้นมันจะถ่าไกล่สมทั้งชั้นมาดีก็ยเยอะหาเกิดทนี้ พ, พอแล้วโยกไม่ก็เรือที่จะจะจําเนอืมหาปุกนแต่นําสรกติไปเกิดในสวรรค์ุดทั้งทในในั้นไในครั้นหนึ่งมหาไปออกมาปุฝนก็บเยกต่อทั้งก็เป็นมหาปุศนไปว่าคุณนั้อนอย่าง เช่นท่ า, ทานต้องทำเรียนธรรเจริญกรมฐานทอดกฐินพระปัผาสรส้างปูสร้างวิหารสร้างสมาคมกันรเรียนสร้างพระพุธรูปสร้างตะ๊ะบูชาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างกุติขุดบอนน้ำตัก บ, บาดบูชาด้วยดอกไม้ถูกเพียนของหอมเครื่องอาภรณและมูชาด้วยปัตติ4คืออุบอนมินาาัฏฐะเสนาสนะยาเจ6ต้นต้นไม่สามารถจะนับได้เรียกว่ามหาคุณผลทั้ ง, งานั้น มหาสมี8ขึ้นโสมนัสสังฆังยาณะสมิสังอสังขาริกังเวลัธธรมบุญมีความดีใจปรารถนานิพพานธรรมบุญเอง2เวลาธรรมบุญมีความดีใจปรารถนานิพพานมีผู้ชักวน1คำามเวลาธรรมบุญมีใจเฉยๆปรารถนานิพ่านธรรมบุญเอง4เวลาธรรมบุญมีใจเฉยๆปรารถนิพพานมีผู้ชักวน1คำ5เวลาธรรมบุญมีความดีใจไม่ได้ปราดถนานิพพานธรรมบุญเอง ผู้กราทำบุญมีความดีใจไม่ได้ปรารถนานิพานมีผู้ชักชวนจึงทำบุญเจตุวิรัตาัมมบุญมีใจเฉยไม่ปรารถนนิพพานธัมโมเด่น8เจตุวิรัตธัมม์บุญมีใจเฉยไม่ปรารถนิพานนีผู้ชักชวนเป็นทำบุญอธิบายเวลาทําบุญมีความดีใจปรารถนาให้ได้มรรคผลนิพพานคิดทําบุญเองไม่มีใครมาชักชวนให้ทำผู้ที่ทำบุญเช่นนี้ได้ผลดีมากคือบุญ6ผลบุญนี้ สามารถนําไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นําไปเกิดเป็นทวดากก็ได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์จะมั่งคังต้องมงกลําเลยไม่อดในยากไม่ทุกในยากจะมีปัญญามากคากออกจเจริญส ม, มถกรมมฐานก็จะได้บรรุษาามีวัตรมชาเป็นต้นหากออกจเจริญวิ่พัฒนาสรมท้านก็จะได้บรรลุมักผลิพันุ์นในฉัดตินั้นรวมที่สก็เหมือนกันต่างจะมีผู้ก้มาชับทวนนะชับทวนให้ทํา การทําบุญมีความดีใจปรารถนาให้ไดมรรคผลนิพพานไม่ได้ทําทิฏฐิทําบุญเองมีพมัชกชว น, นทึทําบุูดผิดทํานี้ได้ผลเป็นที่2คือสามารจะไปบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาก็าได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์จะร่ํารวยมั่งคังไม่มีศีสกไม่มีปัญญามากแต่เป็นที่2ยังมีคนที่เ่งกว่าฉลาดกวาหาออ ก, กาาจะได้ปรานาก็จะได้ทานนาไดรรณะ เ ม, มืผ่านถ้าเจริญธรรมะะได้ฌานถ้เจริญิพพาก็จะถึงมรรคผนิพพ า, านในฉับนั้นข้อที่3วิรัตธัมมภมีใจใสเถิดปรารนานิพพานธรรมบุญเองข้อที่4เวลทําบุมีใจใสเถิปรารถนานิพพานมีพูดชวนกันทํามาบทั้ง4ดุนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากตามงามดอกดําดับกันถ้าจะทําบุาขให้ได้อย่างนี้ดีมาก ส่วนข้อที่5ในว่าทําบุญมีความลิจไม่ได้ปราถนามักผลิผ่านคิดทําบุญเองไม่มีใครไม่ชวใูในตําบรื้องโดยพระรบุลขึ้นนี้ขาดปัญญาได้ผลเป็นที่5สามารถทําไปเกิดกมนุษย์ก็ไหไปเกิดเป็นอโดาก็ได้ทําไปเกิดเป็นมนุษย์จะระบวยมองมีสีสกแต่ขาดปัญญาขึ้นม่เป็นัญญาที่จะเด็กานให้มีปัญญาที่จะเดมักผลิผ่านแต่จะเป็นปัจจัยในคภาพาต่อไปแรง เพราะเวลาบุญมีความวิจัยไม่ปราถนานิพานมีผู้ชักชวนนึงทำบุญอันนี้กหมือนกันตางัเพียงมีผู้ชักชวนเชเวลาบุญมีใจเฉยไม่ปราถนานิพานทำบุญเองข้อที่ลาทำบุญมีใจเฉยไม่ปราถนานิพานมีผู้ชัชวนนึงทำบุญมหาบุรุษทั้ง4ข้อข้างท้ายนี้ดีอยู่เวลาทำบุญไม่ปรถนาเอาปัญญาจึงทําให้ขาดปัญญาไปเมื่อขาดปัญญาก็ไม่สามารถจะบรรุฌาน ม, น, มนุมย์บัคคลิภณิชาตินั้นได้แต่จะเป็นปัจจัยอำนวยผลให้ได้มรรคผลนิพาานหรือได้ชันในพบต่อต่อไปละเดะีาา๋ยวหน้าบุคคลทั้ง8ดวงนี้แหละจะนําบุคคลไปเกิดในมนุษย์หรือเป็นเทวดาเหตุดังนั้นทางสายที่หานี้จึงได้คือว่าทางไปสวรรค์ซึ่งได้แก่มาหากูศล8ดังมีอรถาธิบายที่ไดปัติญญามาดยยอดๆนี้ส่วนตัวอย่างในเรื่องนี้ก็มีมากเช่นมรรคุลีเทพบตร ได้ยังจ่ายให้หลุดไสในพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ได้ปรินทร์ในสวรรค์และนิพพานเทศน์ต่อโมกในโมโนทนาในการกถินของท่นเศรษฐีตายแล้วก็ได้ปรินทร์ในสวรรค์นันทิยะมโนกในการถวายบริจาตายแล้วก็ได้ปรินในสวรรค์ขึ้นอยูกันทั้งมึงเพราะเพราะมหาภพตนที่ตนได้กระทําไว้เป็นปัจจัยโดยแท้ ไป ส, สมโรกเป็นทางสายที่6ได้แก่สมถากรรมฐานสมสมถารมถานนั้นมีอารมณ์40แบงเป็น7หมวดคือกรสิน10อนุษติสิทธิโพอาหารสิหาเรปฏิกูลสัญญานาหนึ่งจตุกาตัวฐานหนึ่งซึ่งมีความพิจจการได้เคยเขียนไปแล้วเลๆต่างหาเคยใช้จิตภรณาหรือธรรมภาพปฏิบัติและอีกเครหนึ่งได้เขียนเป็นคํานองกุดคาวิจัจนาให้ตหัวคําคําตอบเรื่องวิปัฒนากรรมฐาน ดังนั้นในที่รู้ไม่นํามาบรรยายไว้ไม่นํามาเทศให้ต้องการก็ติดตามหารูหนังสือเหล่านั้นได้สรุปความว่าทาง7หมวดเป็น40ข้อนี้เป็นอารมณ์ของสมสถะธรรมฐานเพื่จะเจริญโสตะอวต า, า, านเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งขึนนะะง้นต่อนาจีสาโลมานาคัสสังตากระโจเป็นต้น จึไม่บรรลุชาญมีปฐมฌานเป็นต้นเมื่อตายแล้วจึงจะได้ไปเกิดในพมโลกชั้นใดชั้นเนินตามสงควรด้วยานของตนของตนถ้าคนใดต้องการเกิดพมโลกก็ต้องเจริญสมสถะกรมฐา น, นาคนในฌานก่อนจึงไปได้ทางสาังฆภูมิในสายที่6นี้มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าถึงขึ้นนิรโลกแล้วในปุษษาษาษาาพปาตนะสนี้ณปุพปาตนะสมนี้ถอรารดาก พู้ท่านตามบทพเป็นอาจารย์ของพรนิเจ้าสินทร์ไม่เคยเดินทางสานี้มาเลยคู่ที่เดินทางสานี้ถึงได้จะปฏิบัติได้ดีจนได้บรรลุฌานในบรรลุอภิญญาและข odd เขมได้เพ่งปฏิวัติทัศน์เป็นตัวอย่างและถ้า่หมดบุญแล้วก็ยังจะกลับมาสู่อบายภูมิได้นางตัวอย่างต่อไปนี้คือแม่ไข่ของข้ มีเรื่องราไว้ว่าในการแห่งบริเจ้าพนามว่ากกุสั น, ใ น, ใ น, น, นธะแม่ไกาาใใ ต, ตัวหนึ่งอยู่ในที่ใกล้อาสนาศาาแม่ไกตัวนั้นได้ฟังเสียงประกาศ ธ, ธรรมะของที่สุผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมรูปหนงกําลังซะขยายเรื่องวิปัฒนากรรมฐานอยู่โคยตัวหนึ่งห้าตาลจากขาดมันแล้วได้เกิดเป็นพระราชธิดานามอุป ร, ริไดออกบวชในสนักของพริพาจิกาค า, าย ค น, นหนึังได้เข้าไปสู่วิต ก, กุ ด, ดีทอดพระเนตรเห็นหมึงหนอนแล้วได้เจริญสมถารรมฐ า, านโดยอานอนเป็นอารมณ์เรียกว่าอกุโลกะสมัญญาในวันุปธมฌานตายจากนั้นได้ไปเกิดเป็นโค ม, มโลกสุตีจากโคมโลกแลมาเกิดที่ตกูลสุทีต่อมาไม่นานเท่าไหร่ก็ตายไปเกิดเป็นนางลกุคนในกรุงสาวัตถีในการแห่งพระฤาษีของเรานี้พระศาสดาได้อดพระเนตเห็นนางลกุคนนั้น จึงทรงมีประโอษ์พระอนนท์ที่นั้นไดทรงถามพระภิกษุทั้งองค์ได้ตรัส บ, บอกข้อความนั้นทั้งหมดหผู้ทูกข์้ะหายในพระอนนท์เป็นประมุขได้กระทําเพื่องนั้นแล้วต่างก็พากันเกิดความทรงเวทสนใจกันมากผู้ปรากทรงยังคนทั้งเวทสรใจให้เกิดขึ้นแก่ภิกุนั้นแล้วเมื่อไดทรงประกาศโทษแห่งราคะตัณหาพระภัตเดินอยู่ในระหว่างถนนนั้นเองได้ทรงพาศึกพระศาสาเหล่านี้ว่า ย่าถ้าพีโมเลอนุกปัธโทยทันเททึงโนบิโรควรว่าโ ป, ปนะเรวรหัติเอวัมพีตันหาหนุสเยอันูหัตินี่พัตดีตกขมิทังกุนับปนังดังนี้เป็นต้องแปลเป็นแค่ควาว่าประมายเมื่อรากไม่มีอันตารายอย่างมั่นของถึงจะถูกบุคคลตักแล้วคอยังงอกขึ้นได้จริวแม่ขนนั้น ว่าปัญ ห, หาหนุไสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้แล้วยกเกิดขึ้นไม่อยู่ร่างไปเหมือนกันอย่างนั้นกระแสะแห่งปัญหาสามที่ิะ ไ, ไนอารมณ์เป็นที่พอใจจึงของก็ยกมีแจ่ บ, บุคคลใหความดํรท้างายอันใหญ่อาตราคะย่อกนํบุคคลนั้นที่มีทิถีทั่วไปประแสะแห่งปัญหาท้้งหลายย่อกไหไปในอารมณ์ทั้ ง, งตัวปัังหาบทจะเทาวัน แต่ขึ้นแล้วสั่งดูก็ท่านทั้งหลายถึงนตัญหานั้นเป็นดังเทาวันเกิดแล้วจงพระกันตัดราษิดุปัญญาเถอะโสมนัศทั้งหลายที่สร้างไปและพวกตัญหาดุษยางเหนียวเยอะมีเจสัตวสัตว์เหล่านั้นอาศัยความทั้งพราณจึงเป็นคู่เสียหา ความทุกขนนรชนเหล่านั้นแลย่อมไปพวกเข้าถึงความเกิดและความแก่มูสักทุกขปัญหาพูดทําความลิ้นรนร้องไปแล้วยอมก็ตรวดกระตนกระว่าเหมืนกับตายที่ถูกในายพันดักได้แล้วฉะนั้นโูสักทุกข้คงอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเป็นเครื่องค้องย่อมพากันเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเป็นเวลาช้านานโมสักทุกขัญหาพูดทําความลิ้นรนร้องไปแล้วย่อมกระตั่กระตน กรวนกว่ามัธยันกับพระสาสดาที่นายพ่านดับได้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นผู้เห็นภัยในวัตฏสงสารหวังธรรมะเป็นที่สํารอบทีเลยแจตนพึงบันเท่าพึงกําจัดพึงนําออกพึงทิ้ ง, งพงระปัญหาโปฏฐธรรมคมดิ้นรนนั้นเสียดุจยานมีโสดาปัติมรขยานเป็นต้นทังนี้กายนางสุคนธ์ลูกน้อยตัวนั้นตายจากคันนั้นก็ได้ไปเกิดใราชตระกูลในสวรรณภม ตายฉะนั้นเกิดในกรุงพาราณสีตายฉะนั้นเกิดในเรืนอน่อค้ามาที่ท่าปุตตารกะตายฉะนั้นเกิดในเรือนของนายเถรที่ท่าคาวีระตายฉะนั้นเกิดในเรือนของอิสระชนในเมืองอนุราชธานีตายฉะนั้นเกิดเป็นธิดาในเรือนของกุฑินทรชื่อสมนะในพวกกัญจกามในทิศทักษิณของเมือง น, นั้นมีชื่วสุมนาตามชื่อของกุฑินทร ต่อมาบิดาของนางได้พาย้ายไปสู่แคว้นทีฆะวาปีอยู่ในบ้านชื่อมหามงคลคามอัมมาตยของพระเจ้าพุทธสมมนีนามว่าระกุนตกะอัตติพติมพระไปที่บ้านนั้นด้วยกรณียกิจบางอย่างเห็นนางแล้วทําการมงคลอย่างใหญ่ได้พานางไปสู่บ้านมหาุลคามครั้งนั้นพระมหาอัปรเถระผู้อยู่ในมหาวิหารชื่อโกติปนปต เสือกไปบินกล บ, บาทในบ้านนั้นยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนางเห็นนางแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทังหลายว่าพุทธะยุธหลายนางสุคร์ถึงความเป็นภรรยาของมาหาอัมมาดชื่ อ, รอพระกุณฑกะอัจริงห์พระแล้วโอ้น่าอัศจียงนางฟังคํานั้นแล้วเกิดพบในอดีตขึ้นไดนกลับประลึกฉับได้ ในขณะนั้นนางได้มีความสงเวยสลดใจเกิดขึ้นอ้อนวอนสามีบวดในสำนักพระเถรีผู้ประกอบด้วยพระหาด้วยอิสรียยศอย่างใหญ่ได้ฟังคถาพรณามหาสติปัฏฐานสุงค์ในวิปัสสมหาวิหารได้สําเร็จโสดาปฏิผลภายหลังเมื่อพระเจ้าพุทธคมณีทรงปราบทมินในนี้พระนางสุมนาเทวีไปสู่เพศกันตะขมซึ่งเป็นที่อยู่ของมนนาบิดา อยู่ในบ้านนั้นได้ฟังอาชีวีซูประมาสูตรในกันรกมหาวิหารรรุกภาราแล้วในวันประิพานนางอันโชกที่ศุงงสักถามแล้วได้เราประวัติทั้งหมดนิอย่างละเอียดเก่ที่ศุงมี ส, สงแล้วสนทนากับประมหาติสสเถระโผู้กล่าวบทแท่งคําเพื่อมีปกติอยู่ในบรทรารามณทํากลางทิ่สุสงคผู้เผชมกันแล้วกล่าวว่า ในครั้งก่อนข้าพเจ้าตายจากมรณโรคเกิดเป็นแม่ไก่โทูเยี่ยวตัดศีรษะในสภาพนั้นนั่นไดเกิดในกรุงราชคฤหให้ อ, ออกหวชในสำนักของปริภาจิกาหลายจเจริญพุทธกรรมธรรมได้บรลุปรโลกชานตายแล้วก็ไปบังเกิดเปนมุษย์ในพิมจักนั้นละมุเกิดในกรกุงศักดิ์ลตายจากนั้นดไดเกิดเป็นสุครตายจากนั้นไปสู่สวรรคภมิตายจากนั้นไปเกิดเมืองทรณสีสายานั้นจะเกิดท้าสุปารกะ จากนั้นจะเกิดผ่าคาวระรายจะเนื่องไปเกิดาาเดมืองราชบุรีจ้าจะเนั่นไปเกิดบ้านเพศกันคามถ้าเป็นเรเกิดทัง13อัตรภาพอันสูงสูงต่างตําๆอย่างนี้ด้วยต่รารชนีัตรนิขเป็เจ้าเร็กเกิดอัตภาพอันอุฤจแล้วสเพปิอับ ป, ประมาณใ น, นสัมปาสินาขอท่านตายแม้ตรงหมดตงยังทําที่เป็กุศลถนายให้ถึงเพราะบุความไม่ประมาณเธอ ทั้งละเมรทั้งหมดจงยังความไม่ประมาะทถึงถึงความถื่นตรงนี้ในยังบริษัทสีแห่งทังมนใุษ์สถกันแล้วอปปานต้งด้ว อ, อย่างนี้พอที่เห็นได้เดชัดแล้ววผู้ที่จเจริญสมัคคกรรมฐานจงมิชัแล้ยังปรบัติเกิดในบรรยุกุงให้อีกทั้งนี้ก็เป็นพราะท่ยังมีโยการเจริญสมัคคกรรมฐานจนได้ชันนั้นเป็นเพียงขมจริตไว้ชวั่วคราทนั้นยัยง และจิเลตไม่ได้โดยเด็ดขาดจึ่งจําเป็นต้องกลับมาสู่ไวยคมได้เอดดังรกฐานในวิภังบาลีรับรองของข่อนนี้ไว้ว่าอุศิตาปุวเซเชนะกรรมรูปกติงขตาภาวะคคํติจะสัมปัตาปุณคตท่าติทุกติด้วยออํานาจเห่นบุญที่จนได้กระทําไว้แล้วจัดท้างหลายที่ไม่เกิดในผมมโลกถึงควาระผมแล้วก็ยังกลับมาสู่ปุกิเทศอีกสลก เพราฉะนั้นขอสาธุชนทหลายจงอยา่าประมาทแน่นอนใจโยเพียงจะเดินทางสายที่4ที่5ที่6ก็ยังไม่สามารถที่พระเราค้นแก่สิริได้ของทุกได้ยังไม่ค้นจากอบยภูมได้อย่างแน่น อ, เอนเถอเมื่อใดพาดเมื่อใดประมาทเมืออม่อใดยอภูเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะต้องย้อกลับมาสู่อบ า, ายได้อีกดังตัวอย่างที่แม่นองได้ตองมาแล้วนั้นเป็ยาน เรายังรู้สึกว่ามีประตูอาบายเปิดขอยไว้ครบเพื่อในเมื่อเราประมาณขาดสติเพราะเราจิดประตูอาบายย่งไม่ไห่จงพากันรีบขอรบภายแตวันจะสายจะจะล า, ะายสายบูถึงหนึ่ถ้าจะทอจะภายก็จงรีบประกันแจกโซเเส้แต่บัตนี้แต่โซ้ไม่แก้แกุแจไม่ไขเราก็ภาเหือไปไม่ได้ช้นแนแๆจงภายไปเถิดคอไปเถิดพายไปเถิด อาตไพซึ่งสัมผัสทองธรรมนิพพานก่อนจะถึงพระนิพพานจะได้มีความสุขสรรค์อย่างยอดเยี่ยมตนพระบาลีรานิพพานังตนังสุก ข, ขังพระนิพพานเป็นสุขอยยอดคือเป็นยอดของสุขคําว่ายอดนั้นอยู่7คือ1ยอดรูปได้แก่ความหิวขี้กระทาปรมโนขาควาหิวเป็นโทษอย่างยอด2ยอดนาบได้แก่ความไม่มีโรคอโรคยาปรมาลภาความไม่มีรคเป็นยอดนาบยอด3 ในแต่ความสันโดษคือรู้จักพอสันตุฏฐีประมังขนันนังความสันโดษเป็นยอดสัตว์ดียอดเยี่ยมในที่ ค, คุ้มเคยกันด้วยสังสาปรมญาติคมคุ้นเคยเป็นเป็นยอดคุ้นญาติอย่างยอดฆ่ายอดทุกข์ไปแก่รูปกับนามสังขารอปรมาทุกข์สังขารคือรูปกับนามเป็นยอดทุกข์ยอดทุกข์ได้แก่พระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นถึงยอดยอดคนได้แก่ค น, คนไม่มีศรัทธา คนอกตัญญูคนตัดที่ตะคนหมดโอกาสคนชึ่งหลังนี้แหละคือยอดคนสมณังพระบาลีในพระตปิดกรับรองไว้ว่าอารอารคทุงอกตัญญูจังตปิทฐิโอยจะโยนโรธ ต, ตาว ก, กาสโันตาโสสวยอุตตมปุริโสไปว่าบุคคลก็ไม่เชื่อคุณธรรมที่ตนแทงตลอดแล้วด้วยถ้อยคําของคนเหาอื่นนึงบุคคลผู้รู้พริพพานอันปัจจัยอะไรคงแก่มาในหนึ่ง บคคลผู้ตั์ที่ต่อคือวัตะสงสามได้เริ่มบคลผูม้มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกหนึงบุคคลผู้สีกินหวังคือหมดออย่างได้เพสิ้นกันหาหนั่งนั้นแหละชั่วเป็นยอดคนตรังนี้ท่า้นสาผู้ชนผู้ใจบุญหหายทางขึง้นติิตทางปนิพาน์ด้วยเกิการเจริมมีปวัฒนากรรมฐาน <S <S เป็นนั้นว่าเราจะไปทางไหนทางเดินบอกเลยนยมนะหนทางไปนรถแตเจโทระคือโคงโคตไม่อยาไปยาโกกันนะ สองทางไปเปตอกรกาลแเจโลภะไม่อยาไปเป็นเปตอนัยกายปากเข้าเห็มือท่าทานจะไปรูปของของอนา3ทางเป็นเป็นปรหังไมหอหรูลมคุณพ่อคุณแม่คุณวรกุไปสัมปทาคือทางมนุษไปเจตศีล5กุศลกับโ15ทางไปสวรค์ได้เจมากุศล8 6ทาไปทโลกได้เจสมบัติทางวิปัสสนาแล้วจะไปทาไหนก็เลือกเอ้าจะไปทางไหนกันเล่ายมอยากไดทางไหนเลือกเอานะ ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทายวัดนี้การบรรยายไขปัญหาธรรมในรัวข้อว่าเราจะไปทางไหนทุกแนขอยุติด้วยเพียงเท่านี้ในที่สุนี้ดิฉันานจคุณบดีรันตนชัยอธิษฐานบเี้ขอท่านผู้ใจบุญทายจงอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาทุกทุกขก์ไกลเจริญในอายุวันณะสุขะพละปฏิภาณธมารรมสัสมบัตตลอดกาลเทอญ อัี้โงจิตตัดฏิตมั่นอยู่ในสักษัตรรมนำตอนให้ท้นคุกทุ้งสุกอันไพบูนส่างคือมะค้นหลับผ่านด้วยกันทุกทั้นทเทลิ